ชนวาจรีตละ่ะมาปฏิบัติอย่างไรพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นความจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำอ่านนะอิงเหตุอิงผลอิงวินัยพูดแต่ถ้อยคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กาหนดเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งและพูดโดยกาละอันสมควร แปลว่ารู้เวลาที่จะพูดพูดควรพูดเวลาไหน น, นะครกวา่าการลันอยู่บนะุคคลเพราะคำที่เป็นสุภาษิตเนี่ยนะคที่เป็นสุภาษิตเนี่ยคืออะไรคือคำพูดที่เว้นจากคําเท็จเว้นจากคํหยาบเว้นจากคําพูดยุแยกเป็นถ้อยคําที่มีประโยชน์ น, นะไม่เพ้อเจ้อไม่ไร้สาระแล้วถึงเป็นคาศัตว์ก็ตามส่งเสริมความสามัคคีก็ตาม คำเพราะก็ตามสำคัญที่สุดก็คือเวลาเลือกให้มันตรงเวลาเนี่ยนะเลือกให้ตรงเวลาแม้แต่พระพุทธเจ้าเวลาประกาศอริยศาสตร์พระองค์จะรู้เวลาว่าจิตของเขาเนี่ยจิตของเขาเนี่ยอ่อนควรแก่การงานนิวรเป็นต้นไม่กลุ่มรุมแล้วใช่ไหมเขามีจิตใจที่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมพระองค์จึงประกาศอริยศาสตร์เมื่อจบเขาจึงบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นของเราผู้ที่จะกล่าวถ้อยคําตามก็พึงระวังเนี่ยอะไรที่เป็นจารีต อันนะ้นที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติและวาเรียสิ่งที่เราต้องละต้องเวน้นเนี่ยนะเพราะว่าจะเจริญจะเสื่องก็อยู่ที่ชิวหานี่แหละเนี่ยนะเลน3ามนิ้วนี่แหละสงครามจะเกิดหรือว่าจะดับไฟสงครามก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละทีนี้ส่วนของศีลที่เป็นกายวาจาทั่วๆไปอีกก็คือโดยเฉพาะศีลทางกายเนี่ยนะเวน้นฉักเว้นขาดจากการพรากพืชจะคามและภูตคลามอันนะั้นไม่ตัดต้นไม้เองเป็นต้นเนี่ยนะ ชันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีงดเว้นจากการชันในเวลาวิการอธิบายว่าฉันอาหารตอนเช้าไม่เกินเที่ยงเว้นขาดจากการฟ้อนรําขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าดูไปเรื่อยเปื่อยดูหนังฟังเพลงดูดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมประเทืองผิวอันเป็นฐานะคือเหตุแห่งการแต่งตัว นะเพราะอะไรเพราะการแต่งตัวก็เท่ากับชื่นชมรูปเมื่อชื่นชมรูปก็เท่ากับชื่นชมวัตตะเป็นต้นนั่นเองก็รักษาศีลเวนเธอเวนจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ น, นะเวนขาดจากการรับทองและรับเงินเวนขาดจากการรับทัญญาหารดิบก็คือรับข้าวเปลือกไม่ได้นี่นะมันข้าวเปลือกเป็นต้นนะพระภิสุรับไม่ได้นะเอาเข้าวเปลือกไปถวายท่านรับไม่ได้ เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนี่ยนะเนื้อดิบก็รับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฉันเหมือนนเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเนี่ยนะแปงว่าพระเนี่ยจะใครเอาลูกเอาอะไรมาให้มาถวายไม่ได้เว้นาจากการรับทาสีและธาตแต่เข้าถวายเป็นคนวัดได้แต่ถ้ามาถวายเป็นธาตไม่ได้ถ้าเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร เว้นขาดจากการรับช้างโคมาและลาเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินเนี่ยนะแต่ถ้าเขาถวายเป็นอารามเป็นต้นหนาได้แต่จะมาถวายที่ดินแบบทั่วไปไม่ได้นี่นะเว้นฉ า, ากการเอ่อเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและรับใช้ก็คือไม่ไ ม, ไม่ทําหน้าที่ขวนขวายรับเป็นรับคนรับใช้ของครหัดเป็นต้นหรือทําหน้าที่ทูตเนี่ยนะมันพระพิสูจ์ไม่ใช่อาชีพทูตเนี่ยนะ เว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมแล้วก็โกงด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงเวน้นจากการรับสินบนและการล่อลวงหลอกลวงเนี่ยนะเว้นขาดจากการตลบตะแหลงเว้นขาดจากการฆ่าจองจำตีชิงการปล้นการกันโชคการโชคก็คืออะไรพวกเรียกค่าไถ่เป็นต้นน่นะก็ไม่ทำแบบนั้นทั้งนั้นแหละ เสร็จแล้วพอมีศีลทางกายอย่างนี้แล้วก็ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวอนเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยวินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเหมือนอะไรเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเท่านั้นเป็นภาระบินไปชันใดก็คือนกก็บินไปแต่ตัวเนี่ยนะันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหลเป็นผู้สันโดษด้วยชีวอนเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปนะที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้ด้วยตนเองอันนี้เรียกว่าอะไรภิกษุกประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะคือศีลขันธ์ที่ไม่มีโทษเรียกว่าอริยะศีลเนี่ยนะเมื่อเธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันหาโทษไม่ได้อย่างนี้แล้วย่อมสวยสุขอันปราศจาก โทษในภายในคนที่รักษาศีลอย่างนี้เนี่ยถ้าจะดูให้ดีตามคำสอนแล้วเขามีความสุขนะพระภิกษุที่รักษาวินัยเนี่ยถ้าพระพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามอำนาจกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะขูดกล่าวละความเศร้ามองละความไม่สบายใจเดือดร้อนใจไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะทุศีลแต่ถ้ามีศรัทธามีเจตนาตั้งใจที่จะ รักษาศีลเว้นจากความชั่วประพฤติอยู่ในกุศลธรรมจารีตอันดีงามทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขจะได้รับได้สวยความสุขอันปราศ จ, จากโทษในภายในนะได้ศีลศีลทางกายศีลทางวาจาและอาชีพอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสันโดษถัดจากนั้นไปก็อินทรียังวร เธอเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนสี น, นะสำรวมตาเนี่ยด้วยสติสังวรเนี่ยนะสติสังวรสติตัวนี้บอกบวกบวกอะไรศาตกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะส ป, ปายาสัมปชัญญะแลอะสัมโมหสัมปชัญญะยามตามองเห็นเนี่ยนะเมื่อเห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะขณะมองเห็นล่ะ จะเป็นเหตุให้อกุศโรธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำถ้าขาสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญอะไรเจริญตันหาหรือเรียกว่าเจริญนิวร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าถึงความสํารวมในจกักขุนศีฟังเสียงด้วยโสดดมกลิ่นด้วยขานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโพธะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม่ถือโดยนิมิตนิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะไม่ถือโดยอนุพยัญชนะรายละเอียดที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะเธอปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินเสียด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเมื่อไม่สํารวมถ้าหากว่าไม่สํารวมด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่ประกอบด้วยศาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นก็เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอ ล, ลามก ค, คืออภิชาคือการมฉันทานิวณน โทมนัตคือปยาปาท่านิวร์ครอบงาำพอท่าอากุศลธรรมครอบงำอย่างนี้แล้วก็เป็นศีลไหมศีลนนไม่ใช่โลภะโท ส, สะโมหะสักข้อหลอกเพราะฉะนั้นทําให้สํารวมอากุศลธรรมกลายเป็นว่าถ้าไม่สังวนด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไปเจริญในสิ่งที่ควรละไปละในสิ่งที่ควรเจริญสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่ควรเจริญใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่สังวนด้วยสติสัมปชัญญะก็ไปเจริญอภิชากับ โธมานัตก็ผิดฝั่งผิดฝาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติในสติสัมปชัญญะเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะที่ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วก็สวยสุขอันไม่รักคนด้วยกิเลสในภายในคือถ้าศีลดีเนี่ยจะไม่มีโทษรอบตัวก็จะไม่มีโทษถ้าอินทรีย์สังวรดีใจก็ไม่เกลือกลั้วกกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลาย พิกสุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวตัวนั้นมาจากสัมปชัญญะสเนี่ยนะสัมปชัญญะสีในการเท่ก้าวไปและถอยกลับมีสัมปชัญญะสีในการแลการเหลียยมีสัมปชัญญะสี่ในการคู่เข้าเหยียดออกมีสัมปชัญญะทั้ง4ีในการทรงสังคาติบาทและจีวรมีการมีสัมปชัญญะทั้ง4ีในการดื่มเคี้ยวลิ้มมีสัมปชัญญะทั้งสีในการถ่าย อุจาราปรสวะมีสัมปชัญญะทั้ง4ี่ประการในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะผู้ที่ประกอบด้วยศีรษะขันศีลขันมีศีลกองแห่งศีลศีลขันเนี่ยแปลว่ากองแห่งกุศลศีลเนี่ยนะอินทรียสังวรสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดสันโดษนะนะมีความสันโดษแต่ละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมบาตฐานที่จะรองรับความเป็นอริยะ เสร็จแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดต้องพยายามชีนดีในที่เหลียกรเรใช่ไหมที่ไหนบ้างป่าโคนไม้ภูเขาซกเขาถ้ำป่าช้าป่าชาัดที่แจ้งลอมฝางเมื่อไรหลังจากเวลาพัฒนาหารเพราะโดยมากก็เวลาฉันก็ต้องฉันในหมู่บ้านอยู่แล้วละเนี่ยนะเธอกลับจากบินทบาทแล้วก็นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้า สติก็บวกสัมปชัญญะอย่าลืมว่านั่งประโยชน์ของการนั่งคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะว่าพอนั่งเสร็จเนี่ยนะการนั่งที่ถูกต้องนั่งก็แล้วก็ละนิวร์คือเพ่งเลงอภิชาเนี่ยนะอภิชาตัวนี้คือนิวร์การมฉันท่านิวร์มีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาจากความเพ่งเล็งก็คืออภิชา ละความปะทธร้ายคือพยาบาทนิวรน์ไม่คิดปะทธร้ายมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปะทธร้ายคือพยาบาทออกไปได้ละถีณมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีณมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีณมิทะ ละอุทจักกุกุจัะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุง้งซ่านมีจิตสงบณนภะายในอยู่ชั่ระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจักได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาไม่มีความเคลือบแคลงคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่สงสัยในการเจริญกุศลแล้วละ่ะชั่ระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาอันนี้เป็นการละอะไรละนิวรคือละ การมฉันท่านิวร์พยาบาทนิวรณ์ทีน้มิท่านิวรณ์อุทจักกุกุจานิวร์และวิจิกิจฉานิวร์นิวรณ์ทั้งห้าประการเนี่ยตัวร้ายมากเลยเพราะอะไรล้นิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเหตุทําปัญญาให้อ่อนกําลังลงได้ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวที่ทําปัญญาให้เศร้าหมองทําจิตให้เศร้าหมอง ปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดสภาพเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ทั้งหลายเข้ากลุม่มรวมคนแข็งแรงเนี่ยถ้าลองไม่สบายดูสิเอาเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วหมดสภาพเลยใช่ไหมช้างก็ช่างเหินเนี่ยนะถ้าเรียกว่าเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปในตัวแล้วก็หมดสภาพเลยแหละฉันใดนิวรณ์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับสนิมที่อยู่ในใจเนี่ยนะประทุสร้ายโดยประการต่าง ถัดจากนั้นไปก็สงัดจากกา ร, รสงัดจากกุโสธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี้แหละพระองค์เรียกว่าตถาคตบทร่องรอ ย, แ ห, ยอรอแห่งยานของพระตถาคตตถาคตนิเวนิวาเสตะก็คือสีข้างแห่งยานของพระตถาคตหรือเรียกว่าตถาคตารันชิตะเรียกว่าขนายก็คือที่งาปัก คือยานเนี่ยนะของพระฒถาคตแทงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ะละนิวรได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยนะอริยะสาวกเนี่ยนะจะยังไม่ตกลงใจก่อนคิดว่ายังตกลงใจไม่ได้เพราะอะไรยังถึงอาจจะละศรัทธาไม่ได้ว่าทีจริงก็มีศรัทธานะแต่ยังไม่ได้อาจจะละศรัทธาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพรัฒฐานตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วมันการได้นะมีศีลอินทนระ ส, ส, สังวรสันโดษอะไรอีกศีลอินทรสังวรสันโดษมีสัมปชัญญะสีในฐานะเจ็ดละนิวรณ์ทั้งหได้ปฐมฌานก็ยังไม่ได้อาจจฉลศรัท ธ, ธามั่นใจโดยสูงสุดไม่ได้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็น พระาหันเป็นต้นไม่ใช่พระองค์ไม่ดีแต่ใจของเราเนี่ยังไม่ตั้งมั่นพอในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพ่ะอะไรเพราะยังไม่ได้อาจารย์ศรัทธาคือยังไม่ได้โล ก, กุตระมักถ้ายังไม่ได้โล ก, กุตระมักประกาศว่าเป็นผู้มีอาจารย์ศรัทธาไม่ได้นี่นะนะต่อไปอีกภิกษุนั้นก็บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ถึงได้ธุติยะฌานไป แ, แล้วก็ยังไม่ใช่อาจระศัทธาเรียกว่าตกลงใจไม่ได้แน่สนิทบรรลุตติยะฌานเนี่ยนะก็คือเธอเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนา ม, มากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌ า, านที่พระริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นได้ตัดย่าชานก็ยังไม่ใช่อัจจะะาระศรัทธาเธอบรรลุจตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์เนี่ยนะอันนี้ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอัจจะะาะศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีแล้ว ทีนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิระดับไหนฌานที่สี่นี่นะฌานที่สี่ฌานที่สี่ทั้งรูปฌานและอรูปฌานเนี่ยนะบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานนี่นะ เรียกว่าได้รูปประชานอรูปปัจจานที่เป็นบาทของอภิญญาระลึกชาติได้ระลึกชาติได้เป็นอันมากคือหนึ่งชาติสองชาติ3ามชาติ4ี่ชาติ5ชาติ10 20 30 40 50าาสิบชาติร้อยพันแสนตลอดสังวตกับวิวัตกับเป็นอันมากระลึกว่าชาติโน้นพบโน้นมีชื่อมีโคดมีผิวพันธุ์มีอาหารชีวิตอยู่ด้วยความสุขความทุกข์อย่างนั้นอยู่อายุเท่าไหร่ดี อ่ะ น, นะกำหนดอายุเพียงนั้นจุติจากชาตินั้นก็มาเกิดในชาติโนอีนกนแม่ในชาตินั้นก็มีชื่อมีโคดมีผิวมีอาหารสเวยสุขสวยทุกกําหนดอายุเพียงนั้นที่สูนั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศของเราระลึกชาติได้ไหมยา ก, ก น, นะจะว่าระลึกชาติเอาชาตินี้วันนี้ของเมื่อสิบปีที่แล้วไปทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไร